ที่มีความสนใจใคร่ธรรมและขอปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสามารถสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงว้ายเท่าที่สามารถผิดทูกประการใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยกลาวนี้ก็ส่งมาลงทางสีสัปดาห์ตามเคยโดยขอร้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยลงให้เป็นตตอนไฟดังที่เคยทามาและได้เรียนกำชับขอให้ลงพอประมาณ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 จึงพอมีทางว่าการเขียนจะมีความรู้สึกตัวพยายามทําให้ทันกับกําหนดวันเวลาที่หนังสือจะออกเรื่องที่เขียนก็พอมีหวังจะสําเร็จได้จึงได้ส่งและขอร้องทางศรีสัปดาหให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลงซึ่งทางศรีสัปดาห์ก็ยินดีให้เป็นไปตามความประสงค์ทุกประการคําว่ากรรมฐานเป็นศัพท์พิเศษ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 เพื่อเข้ารูปการกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไปคำว่ากรรมฐานนี้เป็นคําชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานแต่งานในที่นี้เป็นงานสำคัญและหมายถึงงานรือ้อภพรือชาติรือกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อไขทุกข์รือความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัตตน ที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บ่มเพนมีความสุขในปัจจุบันและพบชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติทำเหล่านี้จึงมากมีนาว่าพระธุดงกรรมฐานเสมออันเป็นคำชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุงต่อ ง, งานนี้ด้วยใจจริง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 ได้ยึดเป็นเครื่องมือบำเพ็ญพิจารณาถอยหน้าถอยหลังซ้ำซากไปมาจะมีความชนิดชนานและแยกคายในอาการหนึ่งหนึ่งหรือทั้งห้าอาการอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายชายหญิงทั่ ว, วไปแต่คำว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ถึงสี่สิบอาการซึ่งมีในตำราดโดยสมบูรณ์อยู่แล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบกรรมฐานใดก็ค้นหาดูได้โดยสะดวก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 กรรมฐานเป็นสถานที่บัตขึ้นแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายก็ไม่ควรจะผิดเพราะก่อนจะทรงทายพระรูปพระนามและรูปนามจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นขั้นจนถึงขั้นสูงสุดต้องมีกรรมฐานทำเป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นความเป็นต่างๆอันเป็นพื้นเพ ข, ของจิตที่มีเชื้อวัตะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไปโดยสิ้นเชิง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 ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตามทางกรรมฐานพอทราบเรื่องความรีรับที่มีอยู่ในตนทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีบ้างพอควรจึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยถ่ายเยียวแม้จำได้จากพระไ ต, ตรปิฎกโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีชั่วของสิ่งหรือธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยังไม่ได้รับการเลือกเฟ้นจากการปฏิบัติ อันมีกรรมฐานเป็นเครื่องส่องทางให้ถึงความจริงตามพระประสงค์ที่ทรงประกาศธรรมสอนโลกพระกรรมฐานสี่สิบห้องนี้แลคือตู้พระไตรปิฎกคือเครื่องมือทําลายภพชาติเครื่องมือทําลายกงจักรที่พาให้สัตว์โลกหมนุนเวียนเกิดตายจนไม่ทราบภพเกา่าภพใหม่และทุกเกา่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพบชาตินั้นๆให้คาสบ้านลงโดยสิ้นเชิง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 และความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจำต้องยึดถือทำเหล่านี้เป็นเส้นชีวิต จ, จิตใ จ, จของการดำเนินปฏิปทาไปตลอดสายนับแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตพระนิพพานใครจะปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆก็าตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้เของเข็มจริงๆคือการก้าวข้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นขันจำต้องหวนกลับมายึดทำเหล่านี้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 ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราสถาคกฏดังนี้ทำบทนี้เป็นธรรมประกาศองค์พระสถาคตทั้งหลายให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระสถาคตมีอยู่กับธรรมตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จส ร, ริยนิพพานไปนานตามสมมตินิยมขันข้อจริงแต่ความจริงขององค์พระสถาคกฏแล้วคือธรรมนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมภายในใจอย่างแจ้งประจัดแล้ว ท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถาคตไปว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสู่นิพพานหายเงียบไปแล้วมันมีศาสดาผู้คอยเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงทำที่ทรงประติประสาทไปแล้วแก่มูชนก็คือองค์ศาสดาเราดีๆนั่นแหละถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงเพื่อชนอยู่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 ทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อ น, นิสยัยเพราะความทะเยอทยานอยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก้อสุดจะฆ่าถูกจึงพลอยมีความทุกขเดือดร้อนติดตัวประจำอิรยาบทอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานถ้าที่อยากมีคำว่าเบียดเบียนหรือทำลายตนนั้น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 ท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสนักท่านอาจารมัตตตามปกติทางสอนให้เป็นผู้มีความขยันมันเพียรในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงรำสอนให้เป็นคนหูไวตาไวกล่นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดเอนายสอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในจิตนอกการในเพื่ออัดธรรมในแง่ต่างๆไม่อยู่เฉยเหมือนคนสิน้นธา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 แนวทางดำเนินในสายท่านอาจารย์มั่นกรรมฐานห้าและธุดงสิบสามท่านถือเป็นสำคัญมากจะเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงสายของท่านข้อไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดลงขวัตให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแง้งท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกธรรมบนร่มม้เสมอว่านอนต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวก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 และช่วยกำจัดความกลัวเพื่อเกิดความเพล้าหารขึ้นบ้างไม่นักและกดเฉนจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผานโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบเร่ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่ปแปลกลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามันจะรู้เห็นได้ภูเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นมีสิ่งนั้นๆอยู่ทางทิศนั้นๆ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 ผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวมระวังในอิริยาบทต่างๆอย่างน้อยก็เป็นเครื่ อ, องเปียนใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้กายทิพย์ทั้งหลายที่มีครอบคลุมต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถกนั้นและที่อื่นๆเพราะโลกไม่ว่างจากมูลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดแม้ในกายคนกายสัตว์ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นักปฏิบัติเพื่อเสรีภาพแกสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไตรภพ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 เจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทำไมจึงถึงกลับแตกฉิพภายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสับเปล่าเพียงไรถ้าจะพิสูจน์นอกจากจะไมายอมพิสูจน์และปล่อยให้เรื้อรังไปตลอดการเท่านั้น<ม>ก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและทำทั่วๆไป ภูเขาลูกโนนถน้ำโนนและเงื่อนผาโนนผมเคยพักบําเพ็ญมาแล้วเป็นที่จับใจไร้กังวลกับเรื่องเปลื่อนกลลวุ่นวายทั้งหลายถ้าพวกท่านมุ่งถอดแดนพ้นทุกอย่างถึงใจก็ควรสแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บําเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของาศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุงอิริยาบทหลับและตื่นจะเป็นสุข ความเพียรทางใจก็ก้าวหน้าไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกินคนรุ่นวายจั้งหลายพระพุทธเจ้าพอดีพราษาวกอราหารันทหลายพอดีท่านทรงตรีและตรีที่เพื่อทําในสถานที่ดังกล่าวนั่นแหละนอกจากผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาวัะสงสารเทินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิดตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ท่านทรงยินดีนอนป่าช้าป่าชัดไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโนนเป็นสถานที่อำนวยความเพียรทุงด้านเพื่อตัดกระแสวตัตะภายในใจให้น้อยลงทุกประโยค์แห่ ง, งความเพียรการทําความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ทำการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทัวๆไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนา เป็นเวลานานเท่ากันแต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มากเพราะความเอาใจใส่และความสื่อต่อแห่งสติปัญญาตลอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนั้นต่างกันผลที่ได้รับจากเหตุที่ไม่ถือต่อกันจึงต่างกันนักปฏิบัติที่ยึดศาสดาเป็นสาระจริงๆควรระลึกถึงคำที่ประทานไว้ให้มากกว่าคิดถึงความลำบากต่างๆ มีความโกตายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบากเพราะขาดแคลนกันดานในปัจจัยสี่มีอาหารบินทบาทเป็นต้นความลำบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกท ร, รมานจิตที่แสนขนองโลดผลประจํานิสัยมาดั่งเดิมความลำบากก็เดินตรงกมนานเพราะนั่งภาวนา น, านเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาป ร, รมาณกายท ร, รมาณใจ ความลำบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลำบากเพราะความหิวโหยโรุยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้านเป็นวันวันหยุดไปลหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินสะดว ก, ต า, ดวกตามจริตเป็นเรืรายความลำบากเพราะความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนโผงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกัน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 พอมีทางหลบปลีกปลีตัวออกได้โดยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากหล่มลึกฆ่าศึกใดก็ตามในแหล่งโลกธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนฆ่าศึกภายในใจคือกิเลสตัณหานี่เลยข่าศึกนี้น่าหนักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลย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 และความฉลาดสมศักดิ์ศรีท่านจึงไม่อาจขุดค้นเนื้ออัดเนื้อทมที่สำคัญในการสั่งสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอาย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในานามทาทั้งองค์ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านหนักไปในทุดองควัตรเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้าและเงื้อมผาที่เปลี่ยวเปลี่ยวรู้สึกว่า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 ข้อนำพระเข้าบินธบัตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีการคลองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบินธบาตไม่ให้มองโน้นโมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบําเพ็ญมาประจํานิสัยการบินธบาต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 ทางปฏิกูลทางธาตหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกําจัดกิเลสตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นเรลลายที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยคโดยสังเกตระว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและาธาตุขันในเวลากําลังเที่ยวกลืนไม่ให้จิตกาเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆ อันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอานาจของาธาตุขันธ์ที่กาลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอานาจตันหาความดิ่นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันธ์แม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วไปแต่อย่างหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามขืนปล่อยไว้ไม่สนใจนาพาต้องทั้งคนให้เสียได้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 หลังจากฉันเสร็จแล้วโดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งทำความเพียรเพราะเป็นท่าที่ระ ง, งับความโงกห่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆแต่ถ้าไม่ได้ฉันแังหันในวันใดวันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ไม่ค่อยมีความห่วงเหงาหาวนอนมารบกวนประกอบความเพียรได้สะดวกทุกอิริยาบถไปฉะนั้นท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆบางครั้งอดแต่น้อยวันไป จนถึงทีละหลายหลายวันคือครั้งละสองสามวันบ้างครั้งละสี่ห้าวันบ้างห้าหกวันบ้างเก้าถึงสิบวันบ้างสิบห้าถึงสิบห้าวันบ้างสิบเก้าถึงยี่สิบวันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้าธรรมดาในระหว่างที่อดไปได้หลายวันบางวันก็มีฉันโอวันตินบ้างเล็กน้อยหนึ่งเล็บถ้ามี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 จนกลายเป็นความฟุ่งเฟือยมากกว่าอดจฉริยะขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงกรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลําบากลําบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทกทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบินธบาลก็เต็มบาทกลับมาทั้งหวานทั้งข้าวแถมบางครั้ง มือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโตพอมาถึงศาลาปิ่นโตก็วางปิ่นแถวๆเพ่ชนะที่จะรับประเขีนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตสาห์แวกว่ายมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระทุนหลวงกรรมฐานด้วยความยินแยงแจ่มใสให้ทานเท่าไหรไม่กลัวหมดกลัวสิน้นเพราะแรงศรัทธาพาขวนกวายเพียงเท่านี้ก็แยกอยู่แล้วพอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็น น้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธูดงจึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอึดอาดเนืนนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำ ท, ทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านภูมูงต่อฟังแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ทอง ความลำบากอิจโอยต่างๆพยายามบากบั่นฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดําเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านควรรับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผลอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหรใจยิ่งสงบผองใส และขยบฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วแกร่าพิจารณาอะไรก็ทะลุโ ป, ปร่ปปรงโล่งไปได้ดังใจหวังความหิ ว, หวโหยร่ยแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจต่อการดาเนินของท่านไปทุกระยะ ที่ผ่อนและอดอาหารเป็นโคร่าวไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกกตะกายบำเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในถ้ำกลางให้ความสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเปนน็นวันๆเท่านั้นสาระสําคัญคือทําภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไป นักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออันเพื่อทำต่อมักผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบำเพ็ญเพียรทางภาวนาท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยไม่ได้คานึงถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเกินบ้างใจน้อมต่อทำอันเป็นทางขวงทุกขนล้วนๆไม่มีอะไรไมแอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิตรยาบททั้งสี่เป็นความเพียรล้วนประหนึ่งท่านเขาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะบัตเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยเรากลับจะให้กิเลสพินาษขาสูนออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทําเข้นแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิบัติพาไปในทางนี้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 แล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผลมากกว่าท่าอื่นๆท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทงความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคร่าวๆเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านั้นๆตามความถนัดของแต่ละลาย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 และสถานที่ดีแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนสตรีปทาเครื่องดำเนินแก่บรรดาสิทธ์ทั้งภายในภายนอกละเอียดละออมากและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกนแหนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก็นมัสการกราบลาท่านออกสแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆไป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 บางเวลามีโอกาสยังคุยโมเรื่องความอดยาของตัวให้หมูเพื่อนฟังอย่างไม่อายทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดยาขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมากส่วนพระกรรมฐานยังคุยโมได้ไม่นึกกระดาษใครว่าจะหัวเราะย่อเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระกรมฐาน เป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดารมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลมีท่านอาจารย์ม่านเป็นต้นในสายนี้พาดำเนินมาก่อนตกมาถึงลูกห ล, ล, ลานๆจึงมักเป็นลูกหลานที่มีปฏิบทาอดอดอยากยากที่จําต้องยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้นเนื่องจากการบาเพ็ญทางใจได้รับความสะดวกต่างกั น, ก, นกับที่ฉันตามปกติร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้ายอืดอาด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 ใจพระกับาฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคึงกันอนุโลมตามเทารา ย, ยิ่งได้ใจสนุกคิดไปร้อยแปดแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอะไรเลยมีแต่เรื่องนรกอเวจีซิทั้งสิ้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อไหนอื่นพอมีหนำยังหารยึดอำนาจเอานรกอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงย ม, มาบาลบ้างเลย เวลากิเนตเรืองอำนาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหลพระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาศด้วยวิธีต่างๆโดยพาอดอาหารบ้างอดนอนบ้างพาขึ้นบนภูเขาบ้างพาเข้าถ้าและเงื่อมผาบ้างพานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้างตามแต่จะมีอุบายทรมานได้เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆพอได้หายใจอยู่สบายไปเป็นวันๆ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 ต้องอาศัยสิ่งที่มันกลัวช่วยปราปรามทรมานด้วยเช่นเสือเป็นต้นสัตว์ชนิดนี้นับ่าทรมานจิตพระกรรมฐานได้ดีมากเพียงจะได้ยินเสียงกระหึ่มกระหึ่มฟ้าภูเขาทางโ น, น้นใจก็เตรยียมมอบราบอยู่ทางนี้แล้วไม่กล้าแสดงความคึกขนองใดๆตามใจเลยเวลานั้นบางครั้งเสียงอาจารย์ใหญ่ตัวทรงอานาจกระหึ่มขึ้นใกล้ๆปรากฏว่าลืมหายใจไปก็มีขณะนั้น เติมเพลงกิเลสที่เคยไร้คิดด้วยความขนองไปหมดเหลือแต่ความกลัวตัวสั่นอยู่เท่านั้นบางครั้งเหมือนลมหายใจจะขาดไปในขณะนั้นจริงๆเพราะกลัวมากอากาศเล้วหนาวแต่ร่างกายกลับร้อนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเพราะความกลัวบังคับนับว่าพอเหมาะพอดีกันละเกินกับจิตตัวตึงกล้าไปยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมรบเร้าสั่งสอนตอนนั้นจิตยอมเชื่อพระพุทธเจ้า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 เราขับปลิดทิง้งความกล้าหาญเกิดขึ้นแทนที่ไม่นึกกลัวอะไรในไรโลกธาตุขณะนั้นแหลจิตเห็นโทษความครัเสือและเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจไม่เอ็งเอียงหวันไหวไปมากับอารมณ์ใดๆมีแต่ความสงบสุขและความกล้าหาญเต็มดวงใจจิตกลับเป็นมิตรต่อศัตรูคือเสือได้อย่างสนิทมีหนำยังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจ มิได้นึกว่ามันจะทำอะไรได้เหมือนอย่างที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลยปรากฏว่าใจผูกมิดได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะกล้ามาทำอันตรายได้ตามความจริงแล้วคิดว่าสัตว์ร้ายต่างๆจะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะผู้จะทำก็คือใจเป็นผู้คิดพายเรื่อแต่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วย่อมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนอำนาจและความตั้งใจลงไปเอง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 หรือสถานที่ต่างๆเท่านั้นกว่าหวาดกลัวแม้กําลังหลับสนิทอยู่ก็เริ่มตื่นขึ้น ท, ทันทีและทําให้ระแวงกับมันอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดความรู้สึกเหมือนมันจะมาเยี่ยมอยู่เสมอใจก็มีทีท่าระวังอยู่ทำนองนั้นขณะที่เกิดความรู้สึกระวังขึ้นมาก็เป็นท่าความเพียรไปในตัวเพราะขณะกลัวใจต้องระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งหรือที่ต้านทานขึ้นมาพร้อมๆกัน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 ผลที่เกิดจากอุบายฝึกฝนทรมานของแต่ละรายจึงไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้ทําการพิสูจน์จากความจริงที่เป็นวิสัยของมนุษย์จะพึงทําได้ด้วยการเป็นเ ร, รายไปพระธุดงค์กรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็นความตายจึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและธทำเพื่อความจริงวิธีหนึ่งซึ่งไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งาศาสนธรรมที่ประธานไว้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 ผู้เชื่อในธรรมเป็นต้นจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อสแสวงหาความบีงงามใส่ตนนับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆตามแต่กำลังและความถนัดในทางใดพระทุกองค์ท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสภายในให้สิ้นไปเป็นภพๆท่านย่อมสแสวงหาในทางนั้นเช่นผู้มีนิสัยขี้กลัว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 อันรกชัดหรือในที่เปลีปล่ยวเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้อนอุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทานกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับกจิตซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อโวนตัวเอง ไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลย